ยุมทำโป uh, รแกรม Chronic Disease Self Management Program ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแคลิฟอร์เนียซึ่งเราดึงเข้ามาใช้ในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยอิลลินอยที่รอ c k ฟอร์ดเราเดียวกับคนไข้ซึ่งเป็นรักษาไม่หายเราจะต้องบอกเขาว่าจะทำตัวยังไงบ้างและเราจะต้องเรียกว่า ฝึกกันอย่างเข้มข้นมากเพราะว่าคนไข้ของเราเนี่ยระดับจะฆ่าตัวตายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เมดิเทชันเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งเรานําเข้ามาแล้วก็ช่วยคนไข้ได้มากค่ ะ, ะที่นี่สัพยะดีมากคนน้อยอันนี้ดีที่สุดเลยเพราะว่าตอนไปที่อาคารดีรุ่งโรจน์อาจารย์คนมันเยอะมากเลยขนาดที่นั่งยังไม่มีที่นั่งกันเลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนั้นโยไม่ค่อยได้อะไรอ่ะเพราะว่าพาลูกสาวไปพาน้องสาวน้องเขยไปไม่ใช่ขรุสติท่านอาจารย์อาคารดีรุ่งโลดตรงตอกจันนะคะหา ER: ใช่วันเดียวหาหแล้วก็เลยมัวแต่ห่วงดูว่าเออลูกสาวเป็นยังไงบ้างเพราะลูกสาวก็ภาษาไทยได้แค่8ปดสิปอร์เซนอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ <an> เขาฝากกับขอบคุณอาจารย์มาที่แนะนาเขาค่ะ เขาก็เขาก็ได้ปฏิบัติอาชีพที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็ก็ชอบที่นี่ทุกอย่างอมีมีมีอันหนึ่งก็คืออาหารอาหารมันดีเกินไปมันอร่อยก็มีกับการเงางาเฮานอนตอนบ่ายตามปกตินะฮะแล้วก็โยมเป็นคนปฏิบัติสมาธิแบบนั่งหลับตามานานมาก แล้วก็ก็ได้เห็นอะไรต่ออะไรแล้วก็โยมก็ไม่คิดว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ทําให้โยมไปไหนเลยมันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้พระพุทธเจ้าไม่ไม่คิดไม่น่าจะสอนแค่นี้ต้องมีอะไรที่ไปมากกว่านี้โยมก็เลยเริ่มฟังเทพหลวงพ่ะเทียนก่อนก่อนที่จะมาพบกับอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าเออใช่แต่ว่าเราก็ต้องขวนขวายหาอาจารย์ ที่เหมาะสมที่จะมาสอนพอดีน้องแฝดน้องเล็กน้องมนบอกเออพี่เจี๊ยบมาสิเออหลวงพ่อดีอะไรจะมายมก็เลยมาแล้ว ก, ก็ก็ได้ผลดีค่ะได้ผลดีครั้งที่ยาโก้นั่นได้ผลดีที่สุด <c oughs> ครั้งที่สองไม่ได้ผลเลย <c oughs> เพราะว่ามัวแต่ยุ่งกับชาวบ้านเขา่ะเพราะฉะนั้นปิดวาจาโ <c oughs> ย ม, มดีค่ะเวลายมปฏิบัติทางนี้เนี่ยโยมมักจะขีดกรอบ เป็นเส้นรอบตัวโยมคือโยมรู้สึกว่าความรู้สึกเนี่ยมันควรจะอยู่ข้างในกรอบมันไม่ควรจะออกไปอยู่ข้างนอกก็เวลาความรู้สึกชัดเนี่ยอาจารย์มันชัดไปหมดก็พิตามันก็ชัดหายใจก็ชัดเอ่อมันมันมันบอกไม่ถูกอาจารย์